จเจริญจะมีการจเจริญมีการเสื่อมทาที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ส่วนโลกุตระธรรมนี้เป็นธรรมที่อยู่เหนือโลกียธรรมอยู่เหนือวัฏสงสารอยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดเป็นธรรมที่จ ะ, จะเจริญขึ้นไปตามลำดับ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 ทาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นและเราจะได้ครอบครองทาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงครอบครอง mm hmm. เพราะการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เป็นเหมือนกับการเปิดตาหน่อย mm hmm. พวกเรานี้มีตาอยู่สองชนิดด้วยกัน ตานอกและตาในาตานอกนี่ก็คือตาของร่างกายตาในานี้คือตาของใจตอนนี้เรามีแต่ตานอกเราลืมแต่ตานอกแต่ตาในานี้เรายังไม่ได้ลืมขึ้นมายังปิดอยู่ถ้าเราได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วต่อไป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 พวกเราก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้สรงเห็นเพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงนำเนวทานศีลภาวนามาเช่นเดียวกันนั่นเองทานศีลภาวนานี้เป็นการเปิดตาใน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 สู่พระนิพพานนี่เองผู้ที่ได้ลืมตาในแล้วเบิเปิดตาในขึ้นแล้วรู้แล้วว่าทางสู่พระนิพพานนั้นไปอย่างไรก็จะปฏิบัติไปได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้นำทางอีกต่อไปแหละสมมติว่าถ้าตายไปก่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทาง เวลากลับมาเกิดใหม่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธธรรมประสงค์พระสวสดาบันนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาไม่มีปัญหากับพระสวสดาบันท่านก็จะกลับมาปฏิบัติธรรมของท่านต่อไปปฏิบัติทานศีลภาวนาของท่านต่อไ ป, ป, ออไปแล้วก็จะก้าวขึ้นไปตามขั้นต่างๆตามขั้นของมรรคสีผลสี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 ไม่กลับมาเกิดในกาลมาโลกไม่กลับมาเกิดในกาลมาพบพบของมนุษย์และเทวดาและสัตว์ที่เสพกามทั้งหลายที่มีแบ่งเป็นสองส่วนที่เรียกว่าสุขคติกับทุคติสุขคติก็คือพบของมนุษย์และของเทวดาแล้วก็ทุคติก็คือที่เกิดของ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 ถึงขั้นพระอาหารหันต์ได้ท่านก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกต่อไปก็จะอยู่ที่พระนิพพานถ้าเป็นพระสุอนาคามีแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมโลกท่านก็จะปฏิบัติทำต่อไปภาวนาต่อไปจนถึงขั้นพระนิพพานได้เลยเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายทำขั้นสูงนี้ทำขั้นของ พระอนาคามีที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์นี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติท่านจึงไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมโลกแล้วก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตามลำดับต่อไปนี่คือธรรมระดับโล ก, กุตตะธรรม ท, ที่ต้องปฏิบัติ ถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระวิขั้นวิปัสสนาถ้าปฏิบัติถึงขั้นสมถะภาวนาคือขั้นสมาธิขั้นฌา น, านอันนี้ก็จะยังอยู่ในโลกียธรรมยังอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะพลังสมาธินี้ยังเป็นอนิจจง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 ให้จิตนี้ไปเวียนไหวตายเกิดก็จะดึงจิตให้ลงมาสู่สวรรค์ชั้นต่ําต่อไปจากสวรรค์ชั้นพรมก็จะลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วจากจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องมา ทำบุญทำทานมารักษาสีมมาภาวนาใหม่มาเจริญสมถะภาวนาไปนี่คือการปฏิบัติในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรุวิปัสสนาภาวนามาตัดสรุพระอริยสัจสีมาตัดสรุโลกุตระธรรม คือมรสีผลสีนิพานหนึ่งก็จะไม่มีใครรู้เรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากวัตตะแห่งการเวียนว่าตายเกิดก็จะปฏิบัติได้เพียงแค่ระดับสมถะภาวนาทำใจให้สงบเป็นฌานใจก็จะอยู่ในระดับพรหมโลกเวลาตายไปก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมโลก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 แต่เป็นสวรรค์ที่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาคื อ, อยังจะต้องมีการเสื่อมหมดไปได้อยู่สวรรค์ชั้นพรหมได้ระยะหนึ่งก็จะเสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทวโลกจากสวรรค์ชั้นเทวโลกก็กลับมาสู่โลกของมนุษย์แล้วก็มาบำเพ็ญใหม่ เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็อยู่ที่ว่ามีสันดานนิสัยที่ชอบทำทานรักษาสิงภาวนาติดตัวมามากน้อยเพียงไรถ้ามีมากก็จะกลับมาทำต่อเลยทำทานรักษาสิงภาวนาทุกครั้งที่มีโอกาสถ้ามีไม่มากก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมถ้าได้อยู่กับ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 ถ่วงการบําเพ็ญของเราได้ถ้าเรามีนิสัยน้อยในการบําเพ็ญทานศีลภาวนาแล้วมาอยู่ในสังคมที่ไม่มีการบําเพ็ญทานศีลภาวนาโอกาสที่เราจะถูกเขาฉุดลากลงไปสู่ที่ต่าํานี้ย่อมเป็นไปได้ง่ายกว่าถ้าเรามีนิสัยที่หนักแน่นอยู่กับการทําทานรักษาศีลและภาวนา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 เราก็จะพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ขั้นวิปัสสนาภาวนาได้พอเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะสามารถน้อมนําเอาไปปฏิบัติได้เลยอย่างพระอัญญาณโกนทัญญะหนึ่งในพระปัญจะวัคคีย์ทั้งห้าพอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกทรงได้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 ท่านก็ปล่อยวางร่างกายได้ไม่ยึดไม่ถือร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราเนี่นี่คือผู้ที่มีบุญบารมีเก่ามีมีธรรมเก่ามีนิสัยใฝ่ธรรมมีนิสัยชอบปฏิบัติธรรมใจจะมีทรรองรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพอได้มาเกิดในภพที่มีพระพุทธศาสนา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 ไ่ายพระสวดมนต์ทาใจให้สงบพิจารณาธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาอาริยสัจสี่พิจารณากฎแห่งกรรมอะไรต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนเพื่อเป็นการบ่มจิตใจให้มีนิจัยให้มีนิสัยฝ่ายฝ่ายบุญฝ่ายธรรมทา ท, ทั้งเช้าทั้งเย็นไปหลังท่านก็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 เป็นจำนวนมากเพียงในระยะเวลาเจ็ดเดือนแรกของการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าคือตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแปดจนถึงวันเพ็ญเดือนสามรวมเวลาเป็นเจ็ดเดือนด้วยกันก็ปรากฏมีพระอรหันตสาวก 1, ุกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสาราทิศ ต, ต่างๆ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 มีอย่างน้อยหนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปก่อนหน้านี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าได้จะทรงประกาศพระธรรมคำสอนไม่มีพระอาหารหันตสาวกแม้เพียงรูปเดียวมีแต่พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ได้ทรงตัดชารู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนหกสองเดือนก่อนที่จะประกาศพระธรรมคาสอน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 ที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและได้มีบุญก่าวมาสนับสนุนส่งให้พวกเราหมั่นเข้าหาพระพุทธศาสนากันเข้าหาพระธรรมคำสอนด้วยการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมแล้วนำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติตามกำลังของจัดธา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 เกิดวิริยะเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาเวลาที่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แต่ละครั้งนี้จิตใจเหมือนกับเป็นปลาได้น้ำกับปี้กระเปล่ามีกำลังจิตกำลังใจที่จะแหวก่ายที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ย่ออย่างไม่ท้อถอยปลาเวลา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 ภารกิจของพระองค์ส่วนใหญ่นี้จะพุ่งไปที่การสั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกมีพุทธกิจอยู่ห้าข้อด้วยกันสี่ข้อนี้เป็นการสั่งสอนธรรมะแก่สัตว์โลกเช่นตอนบ่ายก็สั่งสอนสัทธาญาติโยมตอนค่าก็สั่งสอนพระภิกษุสา ม, มเอง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 เราก็ต้องคอยเปิดตรวจดูอยู่เรื่อยๆว่าทางที่เราเดินนั้นเป็นไปตามที่แผนที่บอกไว้วหรือเปล่าถ้าไปอีกทางหนึ่งเราก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีจะได้ไม่เสียเวลามากจนเกินไปถ้าไม่มีแผนไม่ดูแผนที่เลยดูหนเดียวแล้วก็คิดว่าจำได้ก็เดินทางไปเรื่อยๆก็อาจจะหลงทางได้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 จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่ถ้าในอยู่ในกรณีที่ไม่มีแผนที่อันนั้นก็ต้องอาศัยตาในที่ได้เห็นแล้วคือถ้าเป็นพระสวดาบารแล้วถ้าไม่ถ้ามาเกิดในชาติต่อไปแล้วไม่มีใครรู้ทางก็ต้องอาศัยตาายของตนเองพาไปช้าหน่อยแต่ก็ถึงได้เช่นเดียวกัน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 พอถามท่านก็จะชี้แจงให้เราแล้วเราก็จะสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้นี่คือหลักของปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปริยัตก็คือการฟังธทมปฏิบัติก็คือนำเอาทมที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติปฏิเวทก็คือผลก็จะเกิดขึ้นตามลำดับไม่ใช่เกิดทีเดียวทันทีทั้งหมดเลยไม่ใช่เรียนพระไตรปิฎกให้จบตู้ก่อน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 จนถึงขั้นสูงสุดดังนั้นขอให้พวกเราจงอย่าเป็นไก่ได้พลอยทงให้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนว่าเป็นเพชรนินจินดาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตจิตใจของพวกเราอย่าเขี่ยทิ้งไปแล้วไปเอาตัวนอนตัวนอนพวกของพวกเราคืออะไร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 จึงขอให้พวกเราจงมีความแน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพยายามเข้าหาศึกษาและปฏิบัติไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่รับรองได้ว่าเราจะต้องได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งในภพนี้ชาตินี้อย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 จันโทปนะระโสยถาเมณิโจติระโสยถาสัพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสานิจจังวุฒาปะจายโนจตารโธรรมวาธานติ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 ครับนมัสการพระอาจารย์ครับกับผมอ่อยากถามว่าก็คือตอนที่นั่งภาวนาอยู่ปรากฏว่ากับผมเป็นพระแล้วก็มีองค์หลวงตามหาบัวอยู่ด้วยแล้วก็มีพระต่างประเทศประมาณหกเจ็ดรูป แล้วก็องคหลวงตาท่านไม่ได้พูดด้วยปากแล้วก็เป็นเป็นเสียงท่านพูดออกมาว่าจะพากระผมไปรับพาดใจจีวรครับอเคือองหลวงตาท่านจะใส่จีวรเป็นสีเหมือนพภาจานใส่ตอนนี้นะครับแต่พวกกระผมใส่จะเป็นสีแดงเหมือน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 ประการหนึ่งก็คือดอกบัวที่กับผมเอามาถวายพระที่ห้องปกติดอกบัวผ่านไปหลายวันจะเหี่ยวแล้วก็ดอกมันจะตกลงไปข้างล่างจะหย่อนลงไปครับแล้วกผมไม่ได้สวดมนต์ประมาณผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วขับมาสวดอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าดอกบัวที่เหี่ยวๆกับชูชังขึ้นมาเหมือนเดิมครับ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 ให้ดูว่าตอนนี้ใจเราทุกข์หรือไม่ทุกข์เท่านั้นก็พอถ้าทุกข์ก็หาวิธีดับมันเท่านั้นหละนี่คือการปฏิบัติอยู่ตรงนี้ครับผมกราบขอบพระคุณมากครับกลับนักาการพระอาจารย์ครับอยากอสอบถามพระอาจารย์ว่าพระอาหารหันต์ที่นิพพานไปแล้วสามารถกลับมาที่ม น, มนุษย์ได้ไหมครับ ก็กลับมาในสมาธิของผู้ที่ของมนุษย์ผู้ที่นั่งสมาธิได้แต่ท่านไม่มีร่างกายแล้วท่านไม่มีเชื้อของภพชาติที่จะทําให้มีร่างกายได้แต่ใจของท่านไม่ได้ร่มสลายไปกับร่างกายใจของท่านก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่ว่าเราสามารถจะติดต่อกับท่านได้หรือไม่บางท่านมีพลังสมาธิพลังจิตก็สามารถติดต่อได้ อย่างหลวงปู่มั่นท่านก็เล่าว่าเวลาท่านนั่งสมาธิท่านก็มักจะมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันต์มาสนทนาธรรมมาสนแสดงธรรมขอบพระกอนคอบขอบขอบสอบขอบาอบรอบขอบจอบขอบขอบขอบขอบขอนข่บขอาขอ่ขอบาอบขอบขมบขอบขอบขอบ ม, าาะะมอบขอบขจบขอบขอ่ขออบนอบขอบขออบ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 จะทานที่ที่ที่ห้องมันไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่อะค่ะก็ต้องหาที่ที่เงียบกว่านั้นต้องต้องทํางานนะคะไม่ค่อยมีเวลาไปแบบก็ลาออกจากงานนะไม่มีต้องหารายได้อยู่ค่ะก็ไปอยู่วัดไงวัดเขาก็ไปรับใช้วัดก็ได้แหมนมีพระะครอบครัวอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็อยาบถาวราก็แล้วกันขอบกลับขอบพระคุณค่ะ มีข้ออ้างอะไรข้ออ้างก็ อ, อย่าไปภาวนานะมันยุงย่งยากนรสมาสการค ร, ระอาจารย์โยมปฏิบัตินะคะเคยทําแบบยุบเนอพองหนอก็เคยได้สมาธิก็สงบดีแล้วก็ไม่ได้ต่อเนื่องนะคะแ้่ทุกวันนี้ก็พยายามทําต่อเนื่องก็ปรากฏว่าในระหว่างทำนี่เราเราเร า, เราทํำหน้าที่การงานด้วยมันก็เลยฟุ้งซ่าเนเี้ยก็ได้ยินครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าให้ ใช้เกสรลงมานะคะทันตาตะโจโยมก็ลองมาใช้ดูก็รู้สึกว่ามันสงบไม่ฟุ้งนะคะทีนี้พอเราทำไปอ่ะสักพักหนึ่งอ่ะมันภาวนามันหายแต่เราเรู้จะเราจะรู้ลมอ่ะท่านเราจะรู้เหมือนว่าเราหายใจอยู่ถ้าแบบนี้โอเคไหมคะทำแบบนี้ก็ดูลมต่อไปแทนดูแล้วก็ไม่ต้องภาวน า, <อ>าใช่ไหมใช่ให้เบีให้เราดูอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อไม่ให้ใจไปลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้ได้แล้วลบางทีพอเรารู้ลมแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแล้วคิดขึ้นมาอีกก็เลยกลับมาภาวนา อ, อย่างนี้ถูกไหมคะถ้าบางคีก็ใช้ภาวนาหยุดมันก็ได้โอ้ทำถูกต้องนะถูกต้องต่อไปเป็นคําถามจากทางบ้านนะคะคําถามแรกขอไม่ประสงค์ออกนามการที่เราได้ฟังธรร ม, มะและได้ปฏิบัติธรรมแล้ว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 ถือว่าเป็นบุญชนิดหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะเหตุไรคะเพราะทำให้เป็นคนที่น่ารักเนียคนที่เขาไม่มีใครรังเกียจคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตอนนี้จะเป็นคนที่มีคนที่ยินดีที่จะสนับสนุนดูแลช่วยเหลือต่างกับคนที่ไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตอนจะเป็นคนที่สังคมมักจะรังเกียจเบื่อหน่าย เราเป็นมนุษย์ที่ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ถ้าเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาเราเดือดร้อนเราต้องการความช่วยเหลือเราจะได้รับความช่วยเหลืออย่างง่ายดายอย่างมากมายแต่ถ้าเราเป็นคนอวดแบ่งอวดเก่งอว ด, ดรู้อวดดีนี่ไม่มีใครก็อยากจะช่วยในเมื่อเราเก่งแล้วแล้วก็ต้องมาให้เขช่วยทำไมคำถามต่อไปจากคุณนัทวัรอยากให้พระอาจารย์ช่วยพูดถึง รายละเอียดของศีลห้าในแต่ละข้อว่าทำอะไรถึงจะผิดศีลเพื่อที่จะได้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้การรักษาศีลห้าเป็นไปอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นศีลข้อห้าไม่ดื่มของมืนเมาแต่ถ้าเราซื้อของมืนเมาให้ผู้อื่นหรือมีคนฝากซื้อของมืนเมา แล้วเราซื้อให้ถือว่าผิดศีลข้อห้าไหมครับไม่ผิดนะเพราะศีลข้อห้าต้องบริโภคของมึนเมาถึงจะผิดเพียงแต่ว่าเป็นกิจไม่ควรจะกระทำเพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นทำผิดศีลการกระทำของเราไม่ควรที่จะทำเป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นเ็ากระทำผิดตัวเราไม่ผิดแต่การกระทาของเรานี่ไปส่งเสริมให้คนอื่นเขาทาผิดซึ่งมันก็ไม่ดี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 ไม่ประพฤติผิดในการถ้าเราไปดูหนังหรือภาพลามกอนาจารจะถือว่าผิดสิ่งข้อสามไหมครับก็ก็มันต้องเสพการไงมันต้องร่วมหลับนอนกับผู้ผู้อื่นและผู้ที่เราร่วมหลับนอนนี้ไม่ได้เป็นสามีหรือภรรยาของเราถ้าเราอยากจะเสพการให้ถูกต้องตามหลักของอ่าสิ่งข้อสามนี้ก็ต้องมีการสู่ข อ, อกัน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 อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าผิดตัวไอ้นีไม่ผิดประเพณีหมดคําถามจากทางบ้านแล้วค่ะหลวงพ่อหมดแล้วทางนี้มีใครอยากจะถามต่ อ, อยไหมมีเข้ามาหน่อยสาธุค่ะหลวงพ่อคือมีวันนางหนูเดินจงกรมอะค่ะประมาณสิบนาทีขวาพูดซ้ายโทขวาพูดซ้ายโทพอทีนี่หนูก็กําหนดดูกระดูกหนูตั้งแต่เนิ้วเท้าขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาจนถึง กระโหลกศีรษะแล้วก็ลงมาตรงเบ้าตาแล้วก็ลงมาถึงหน้าอกพอถึงซี่โครงมันจะมีอาการจืดเข้าไปค่ะทีนี้หนูก็เลยก็เลยเหมือนเขาถามว่ามีแค่นี้เหรอหนูก็เลยว่าไม่แค่นี้แหละแจวอะไรล่ะหนูก็เลยว่าถ้าไม่กลัวเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องช่วยกันหนูพูดกับเขาอย่างนี้ค่ะต้องช่วยกันทาความเพียร น, นะคะ ทีนี้การยกซ่อนยกอะไรเหมือนเข้าพาหนหัวทามมั้งหลวงพ่ อ, พอตัวเบาเท้าเบายกไปยกมาแบบไม่เหนื่อยอะค่ะอือันนี้คืออะไรคะหลวงพ่ อ, พอก็จิตมีพลังจิตมีความสงบจิตฆ่านิวรันได้คือความเกียดข้านความง่วงเหงาหานอนความฟุ้งซ่านอะไรต่างๆพอมไม่มีจิตมันก็จะมีพลังขึ้นมาเดินจงกรมได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ว่าเดินทั้งวันก็เดินได้อ่า ใช่จิตมันสงบจิตเป็นกลางก็พยายามทําต่อไปทําให้มากๆนะ เ, เห็นไหการปฏิบัตินี้มันมีผลใช่ไหมพอเราได้ยินได้ฟังคนที่เขาปฏิบัติแล้วมาเล่าให้เราฟังนี่มันก็จะทําให้เราเกิดกําลังจิตกําลังใจขึ้นมาเอแต่พีลของแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันเพราะจรีตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันฉะนั้นเราอย่าเราอย่าไปลอกเลียนแบบเขาทั้งทั้งดุ้นเอ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 เ<อ>ใช้เวลานานแค่ไหนครับก็ไปอ่านหนังสือประวัติของารอมาเสษฐีที่แท้จริงเนี่ยเพราะมันยาวมนมรสการหลวงพ่อค่ะคือถ้ามีคนป่วยอยู่คนหนึ่งที่เขาปกติก็คือปฏิบัติธรรมอะค่ะก็เป็นปกติแต่มาวันหนึ่งคือร่างกายเจ็บป่วยอะค่ะแล้วก็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 ถ้าเคยถ้าเคยปฏิบัติจเจริญสติเป็นก็ให้ใช้การจเจริญสติไปก็ได้อย่าไปคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปทั้งวันทั้งคืนนั่งเดินนั่งเดินยืนนั่ ง, น, น, งนอนทำอะไรก็ให้อยู่กับพุทธโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปอยากให้มันหายปล่อยมันไปตามเรื่องของมันรักษาใจด้วยพุทธโธไปใจก็จะกลับมีพลังขึ้นมา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 ขอบคุณค่ะมีใครอยากจะถามอะไรอีกั้มถ้าไม่มีจะนับถอยหลังนะแม่เข้าใจได้ยัง่ะ นำนำไปปฏิบัติถ้าทำอะไรไม่ได้ก็พูดโทรไปสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงเรื่องร่างกายถ้าจะคิดค่คิดแบบพระเจ้าว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเขาก็บอกว่าอยาแม่เป็นลูกผีเสื้อแล้วเพราะ่ขาก็เอ่อเกี่ยวกับเอาทางแพทหไม่เห็นว่าแบบคิดมากอะไรแบบนี้เอ๊ะ S <S> ไม่ไม่คิดอะไรดูดเก็เพลงขึ้นมามอย่างนี้น<ม>นก็ะะ่ลวไปไมาไ ม, มันอาจจะไม่ได้คิดอะมันเพลงแต่มันมันมันปฏิเสธไงมันม อ, อ, อ่ามันท้อแท้เบื่อหน่อยเพราะไม่สามารถต้องกลับไปใหม่กลับไปหาธรรมะใหม่ ก็ตวนมลก็ออกเสียงก็ไม่ได้เพกินอยูอ่ ม, มากค่ะใช่ก็ะอยู่ในใจก็โอเคเยคได้ให้มันอยู่ในใจก็พอสวนมลไปภายในใจก็ได้ถ้าใจสงบแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรทีแรกฟังลูกพูดเองคิดใครคิดเราฟังมามใช่ยงก็นี่ลเเค้าเคย ศึทษากันว่าจะเอายังไงได้ฉันก็เครูประวัติของอาจารย์เหมือนกันลูก้าไปเพาะอ่าดอ่านบ้างได้ฟังบ like> ้างมีหลายอาจารย์เสร็จแล้วก็เลยก็เลยได้มาครั้งแรกเ่ะก็เลที่แวันวันที่มาก็จะเดินเซยอยู่เมนคนจีนเกียไปปวดวันวันวันที่ไปเที่ยวตลาดน้ำเอ๊ะจะมาทเปล่า ลเขอแม่เดินตรงๆเราว่าเราเดินตรงแล้วนะเช้าก็มาทบุญมาพอพอพอรู้ว่าได้ได้มาจิตใจก็จิตใจนั่นอยู่แล้วไอ้เรื่องาเนเนี่ยมันมันมายูแล้วพยายามอัดธรรมะเข้าไปในใจเรื่อยๆพอูบอกว่าหน้าตาดีกว่าวันก็ดีแสดงว่าได้ธรรมะเข้าไปนะ อ่ะแล้วนะดีธรรมโอสดนี่เป็นยารักษาใจย่พูดออกมาแบบพูดเอ๊ะไอเดียวกันเลยใช่เราเนี้ยแน่เขาใครดูมาด้วยแย่พูดใครเลยวันนี้จะเปิดธรรมะมีความสุขมากทำอะไรนะทำไปเรื่อยๆอย่างตอนหลังไปภาลามาไม่พูดเลย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 แา่ที่ความทุกข์นั้นใช่อก อ, อก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ